เมื่อวันที่8สิงหาคมพออสงันหาร้อยส6 0ณวัดป่าบ้างตากจังหัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนวัดมีสรางมาได้จิต กับตัวนี้ถ้าปริมาณดีแล้วนี่เปนงาของด้านวัตถุถ้าพออยู่พอเป็นไปทุกอย่างถ้าจะให้เจริญมึ่งเดิอนทางด้านวัตถุ ขึ้นกว่านี้ก็คงจะมีจำนวนมากกว่านี้อันลาภิกขิลลาแต่พวาที่มี อ, อยู่แล้วเห็นว่าพอเหมาะกับความจำเป็นที่เป็นไปอยู่เงีเหมาะ กับกําลังั้งการดูแลรักษาและการปกแ้องคุ่มาอาศัยอยู่ด้ยวยอาจะให้มากจึงกว่านี้ ท, นทั้งด้านวัตถุและพระเนนบรรดาที่เป็นนักบวชไม่ว่าสายสี่สาวเ้า ภาระก็จะต้องเพิ่มคุณอีกความกังวลในการดูแลรักษาและปกครองทุนได้ก็จะต้องเพิ่มณต้นตามๆกันหากาความรู้ความสำาดความสามารถของผู้ปกครองมีความเพิ่มขึ้นเพื่อนเดียวกับ ด้านนักถุกนักผู้ที่มาอาศัยก็จะพอเหมาะสมกันแต่นี้ด้านความรู้ความสระลาดของผู้จะให้อาวาดแนะนำสั่งสอนน้สึกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านั้นเมื่อเป็นเช่นั้นเราจะเพิ่ม ภาระให้หนักมากยิ่งกว่านั้นไปก็จะต้องเป็นการแท้กำลังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถต้านทานภาระหนักได้เนื่องจากความรู้ความฉลัดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณ ของสิ่งที่มาเกี่ยวขอ้องอิกปรการหนึ่งการสร้างวัดที่เป็นด้านวัตถุสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ปฏิบัติสร้างได้ง่ายง่ายกว่าการสร้างพระสร้างเนิน ร่างบุคคลให้เป็นคนเป็นภูมิของคนและเป็นภูมิของนักบวดเพานั่นจึงเป็นของธรรมกันได้นะคนไปอยู่ที่ไหนรัฐฐานที่นั่นก็ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ตัวของคนเองไปอยู่ที่ไหน ถ้าหากมีความสนใจสร้างตัวของตัวอามีความเจริญรุ่เงเรืองขึ้นภายในการประชิดทั้งภายนอกภายในของตนก็จะเป็นความเจริญรุ่เงเรืองขึ้นเดียวกับด้านนิติแต่นี้โดยมากไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านและวรา ยอมจะเซ็นใจสร้างภายนอกมากกว่าภายในเรื่องภายในจึงเป็นสิ่งที่อับเฉาโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากการมองข้ามไปเสียงนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการชื่สร้างตัวของเราจึงเป็นเรื่องลํำบากและยากที่จะปฏิบัติตนให้พอเหมาะสมกับ ภาวะของตนและทําทุกขันยิงการรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันด้วยแล้วก็ยิงจะเป็นการลำบากในการปฏิบัติต่อกันเพราะนิสัยใจคอของแต่ละท่านละท่านที่มารวมกันนั้นสืบเนื่องมาจากการอบรมในสถานที่อยู่ ของตนมันต่างกันตลอดอธิยาใจโดยพอซึ่งเป็นหลักเดิมที่ฝังไว้ภายในจิตใจซึ่งมีความแน่นหนามั่นคงพอจนกลายเป็นหลักนใสแเร่งนั้นรู้สึกจะถอนได้ยาเมื่อมาคบค่าสมาคมซึ่งกันและกัน ซึงต่างคนก็ต่างมีทางที่จะระบายออกตามจริตนิสัยที่เคยชินของตนไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่และถูกต้องทั้งได้รับความไว้วางใจต่อโลกมานานก็ต่าง แต่กว่าจะเท่าสุนทราบถึงจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาในธรรมะแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละรายนี้รู้สึกว่าเป็นของยากไม่น้อยเลยเนื่องจากความฝังลึกแห่งนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือจีตกันห่วห้ามธรรมะ ไม่แทรกตืนเข้าถึงใจได้เช่นเดียวกับหม้อที่มีฝาปิดไว้อย่างสนิทไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินโตรวยาดได้มอง ดูตั้งแต่มีใส้ลิ้ใจของตัวเองโดยถ่ายเดียวเพราะใจนี้มีทุกประเภทอันเป็นสิ่งที่ไม่คึงปรารถนาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วขนกันทั้งวันกองเท่าภูเขานี้ก็ยังจะไม่หมดจากใจ แต่นี้ไม่ใช่เป็นด้านวัตถุและไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเ น, นื้อแง่จะมีอยู่เป็นจานวนมากหรือหนาแน่นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบนอกจากไม่มีใครทราบแล้วตัวเองยังไม่ทราบดบ้วยว่านิสัยของตนมันหนักไปในทางใดความหนักไป แห่งนิสัยนั้นเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีโดยมากไม่ค่อยจะได้คำานึงกันฉะนั้นหลักนิสัยจึงมีอำนาจที่จะส่งเสริมกำลังของตัวขึ้นจนแม้อาจจะมองเห็นความผิดหรือถูกแอ่งธรรมะได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนิสัยจึงมีทางที่จะละไมออกมาเสมอหากเป็นสิ่งขัดข้องต่อตนเองโดยเจ้าตัวก็ไม่มีสาเหตุจะทราบด้วยและ้าเป็นการขัดข้องต่อมู่เพื่อนโดยการด้วนวทำที่ว่าไม่มีสาเหตุจะทราบ ก่อนเนื่องจากตนไม่ได้ผลไกคน้นดูสาเหตุว่าเป็นความผิดหรือถูกในนิสัยของใจที่เป็นประยุทธ์ทุกวันนี้นี่จึงเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนเต็มภูมิของคนสร้างนักบวชให้เป็นผู้มีธรรมะเต็มภูมิของนักบวชเป็นท่านๆ น, นั้น จึงรู้สึกว่าเป็นของที่สร้างยากมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นสมัยพุท ธ, ธากาลก็มีพระพุธทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสร้างพระองค์ให้เป็นคนแปลกและอัศจรรย์ของโลกขึ้นเป็นอันดับแรกคนในสมัยนั้นก็ไม่มีจำนวนน้อย เหตุใดจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวทําความแตกต่างแก่โลกทั้งหลายและปรากฏเป็นผู้อธิการยิ่งกว่าโลกหากเป็นของไม่แปลกประหลาดหรือเป็นของไม่เป็นของทำไม่ยากคนทั้งโลกก็จะกลายเป็นผู้ชละมีอำนาจมากกว่า สามารถจะเครื่องตนให้พ้นจากทุกไม่ว่าทุกประเภศใดได้ด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ปรากฏจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้รตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการสร้างพระองค์โดยสมบูรณแล้วนั่นแลได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจึงปรากฏมีผู้ตามเทศพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งสมัยปุวันนี้ผู้ที่ตามเทศถึงจุดหมายปลายทาง ก็มีจํานวนไม่น้อยแล้วผู้กําลังตามเสด็จอยู่ด้วยครอปฏิบัติก็มีดังที่เราเห็นดูด้วยตาทุกวันคือ ท, ท่านผู้นักถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติมีทางคารวะาเลี้ยวเรือนบ้างระดับตนออกเป็นนักบวดเป็นพระเป็นเนินเป็นชีเป็นขาวบ้างเหล่านี้คือว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยธรรม มีการกล่าวในตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงเรื่องการสร้างตัวเองเป็นเรื่องที่ยากแน่จะไม่เป็นของใหญ่โตขนาดเท่าตัวมนุษย์เท่าตัวเราเราท่านนีนว่าตามแต่เรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่โตแน่จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาก็าตามแต่ความรู้สึกอันนี้จะครอบกลัวทั้งโล ก, กทาน ความเกี่ยวข้องของจิตจึงมีทั่วดินแดนจนหาประมาณไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอูบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขจิตใจให้ถูกตามหลักธรรมะเพื่อเป็นการเสริมตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องนี้จิงเป็นของที่ยากมากไม่เหมือนการสร้างสิงใ ด, ดในโลก แต่เมื่อสร้างได้แล้วมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสินใดจะมาเทียบเท่ากับราคาแห่งการสร้างตนพระพุทธเรจ้าท่านจึงสอนในหลักธรรมทุกๆประเภทแห่งธรรมที่ระกาวสอนไว้แก่โลกมีความเน้นถึงการสร้างตัวเองทั้งนั้นเป็นหนักใหญ่ของักสนา เราจะไปทําติจการงานภายนอกก็ต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีเพื่อจะเป็นกําลังต้านทานหรือต่อสู้กับการงานานั้นๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีเช่นฉันทะให้มีความพอใจต่อหน้าที่การงานที่ชอะวิทยะมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนในหน้าที่การงานนั้น ไม่ให้ขาดวักขาดตอนจนกว่าจะถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังของตนกิตตะมาให้เอาใจห่างเหินจากหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์ซึ่งกำลังกระทำอยู่นั้นมีมังสาคือความรอบคอบในหน้าที่การงานที่ตนจะพึงจับพึงทำให้เสมอต้นเสมอปลาย นี่คือหลักธรรมเป็นเครื่องเติมหน้าที่การงานให้เจ ร, ริญมงเลียมถ้าคนไม่มีธรรมทั้งสี่ประเภทนี้แต่จำใจแล้วจะทำงานอันใดไม่สําเร็จแม้จะสําเร็จก็ไม่เรียบร้อยสักแต่ว่าเท่านั้นการจะสร้างตนก็ต้องอาศัยธรรมทั้งสี่ประเภทนี้อีกเหมือนกันเป็นหลักใหญ่ถิสมาธิปัญญา นิมมตนพนิพพานทานนอกจากทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไม่มีทำอันใดพอที่จะเป็นพิ้นเป็นอันให้เป็นมมดกเครื่องประดับใจของผู้นั้นได้เลยนี่การสร้างกลัวจึงเป็นเรื่องลำบาก แม้จะไม่ต้องคุ่มเทรับสมบัติเงินทองลงมากมายเหมือนกันกับเราสร้างด้านวัตถุซึ่งหมดหมดเงินเป็นจํานวนนานลนกว่าตางแต่ก็เป็นของยากดีโดยหลักธรรมชาติของการสร้างตัวเองซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่หมดเงินในการก่อสร้างเป็ น, ปนจํานวนนานล้านนั้นนักปราบทั้งหลายท่านจึงสนใจ ต่อการสร้างตนและสอนบุคคลให้พ ย, ยายามสร้างตนให้เป็นปุดแข็งแน่นหนาภายในใจถ้าสร้างตนไม่ได้ไาอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอาบครับไม่เป็นคนจริะเล้นบ้านถ้าสร้างไม่เสร็จก็เป็นบ้านราน้างนาทําไม่เสร็จก็เป็นนาล้าง ทุกสิ่งถ้าทำไม่ไม่เกิดแล้วเป็นของใชยไม่น่้กายเป็นของล้างไปหมดถูกซาลาไม่สำเร็จก่อเหยียกว่าศาราล้างบ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องชชยไม่สอยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเป็นของไม่น่าดูนคนที่สร้างคนให้สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นจะได้ก็กลายเป็นคนรกโลกได้อย่าง้ รกในตัวเองแล้วก็ทําการฉีดขวางโลกจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เจริญจะไปโลกหน้าก็เป็นคนอาพัพไปโลกไหนไหนก็คือคนที่สร้างตัวไม่สําเร็จประโยชน์นั่นเองไปปรากฏตัวขึ้นมาก็ปรากฏเป็นคนอาพัพเป็นสัตว์พออาพัพเป็นคนก็อาพัพถ้าเกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นคนอาพัพตลอดไป เพราะอาภัพอยู่กับการสร้างตัวไม่สำเร็จอการสร้างตัวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอจะนอนไปเครื่องมือที่จะสร้างตัวก็คือหลักธรรมที่พระพุธธรรทพพธเจ้าทรงประกาศสอนไมาโลกก็มีเครื่องมือสาหรับทำรรสําหรับบําเพ็ญเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทธทรรมที่สอนโลกทั่วไปก็มี ทมที่สอนนักบวชเป็นชั้นๆของนักบวชไปข้อมีนอกจากนั้นทมที่สอนตามชั้นๆเป็นชั้นๆตามลำดับของผู้ปฏิบัติที่มีภูมิสูงต่ำต่างกันก็ยังมีอีกจนกระทั่งถึงจุดจุดยอดคือมรรคมิตานไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า นอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่สนใจปฏิบัติตนแค่เต็นไปตามหลักธรรมนี้เท่านั้นมีหลักการสร้างตนสร้างเราหน้าเทียงคนเดียกพอรู้สึกว่าเป็นของที่นี่คุณค่ามากอยู่ในโลกนี้เราก็มีคุณค่า จะไปสู่โลกใดก็มีคุณค่าจนถึงจุดสุ ด, ดยอดท่านหาประมาณไม่ได้แห่งคุณค่าภายในตัวของบุคคลนั้นมีเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจา้าที่ประกาศสอนโลกไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นโลกแห่งโมฆะไปหมด เราผูเป็นนัำบวชก็ อ, อยากให้เป็นโมฆะในเพศของตนในเดชีประโยชน์จากการปฏิบัติได้หลักธรรมะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องหัวใจของคนเราแต่ละคนละคนหัวใจจะมีกี่ดวงเพราะอยู่ด้วยกันหลายคน ให้นำความรู้สึกของใจนั้นน้อมเข้าสู่ธรรมเอาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ตั้งเป็นที่ยนืนขยันเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดแล้วอย่านำใจของเราไปตัดสินเราเองเพราะใจมีทุกสิ่งทุกอย่างฝังอยู่ภายในนั้นอาจจะตัดสินนิดเป็นความเห็นผิด ไปตามความชอบใจทั้งตนก็นักหากว่าใจเป็นของมีประมาณอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องมีหลักธรรมะมาเป็นเครื่องทดสอบและเป็นเครื่องยินิชัยตัดสินต่างคนต่างก็มีใจมีความรู้สึกก็ควรจะดำเนินตนก็ได้ด้วยความสะดวกและราบรื่นโดยไม่ต้องอาสัยทำอะไรมาเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับดอกแ่งตนเอ แต่มีก็เพราะใจมันหาประมาณไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องยินิฉัยเป็นเครื่องกัดสินเป็นเครื่องดําเนืเป็นสิ่งที่จะให้รับความสุขจากธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องเหตุเหการปฏิบัติต้องบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่หลักธรรมอย่าให้เข้าไปตามความอยาก ความต้องการของต้นเรื่องความต้องการนั้นหรือความอยากนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจไม่มีเวลาบกกร่องไม่เหมือนสิ่งอื่นแม่น้นแม่มหาส ม, มุทรแน้จะลึกลึกกว้างแสนกว้างก็ยังมีเวลาขึ้ น, น, นล ง, ลงแต่เรื่องความอยากของใจนี้ไม่มีที่สิสุดต้หาเวลารถย้อนผอน ตัวเองลงโดยลําพังไม่หนึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมตัวเองขึ้นด้วยความพยายามอย า, อยากหาประมาณไม่ได้ตลอดการเท่านั้นท่นั้นหลักธรรมจรึงเป็นเครื่องกั้นกลางความอยากตรอเพศเหล่านี้ไม่ให้ไหลไปตามอาเภอใจของตนโดยถ่ายเบี้ยคําว่าหลักธรรมหมายถึงความถูกต้อง นำเหตุกับผลมาเทียบเคียนกันแห่คือสิ่งที่จะพูดออกไปจะทำลงไปมีเรียกว่าแห่เมื่อพูดออกไปแล้วทาลงไปแล้วถูกหรือผิดผลจ ะ, สะแสดงขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่านำเหตุกับผลเข้ามาเทียบเทียน ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องแสดงผิดออกมาอย่างน้อยก็ทำตัวของเราให้เดือดร้อนมากไปกว่านั้นก็ทำคนอื่นให้รับความกระทกระเทือนเดือดร้อน้อนไ ป, นไปทุกแข่งทุกคนนี่คือผลที่แสดงออกจากการบำเพ็ญเหตุไม่ถูกต้องกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมา ความดัดร้อนนี้ไม่มีใครจะต้องการแม้แต่ศัพท์เขาก็ไม่ถึงจุดต้นหมายเพราะความดือดร้อนเป็นสาเหตุที่จะให้ถึงความที่หนา้าผิดหายแต่ได้มากกว่านั้นก็คือที่หนา้าผิดหายถึงตายเด่นกลเราที่อยู่ร่วมกันมากๆล้วนแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นผู้สนใจต่อรธรรมะ มีหลักธรรมะเป็นเครื่องตัดสินนี่เป็นิเรื่องจําเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันโกรธได้ทำหนึ่งเสมอถ้าหากทําผิดให้ห่างเสื่อหรือมองข้ามหลักธรรมไปโดยประจตเ จ, จเอาเฉพาะหัวใจของตนออกมาเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องนำเนินแนวจะเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนแทรกตัวออกมาเป็นลําดับลานา มีไม่ใช่ทางของนักปฏิบัติที่จะควรสนใจและส่งเติมเพราะเราที่อยู่ด้วยกันไม่ใไม่มีใครเป็นนักเป็นจอมปราบด้วยกันแต่ก็อาศัยธรรมะของจอมปราบีพระพุทธเจ้าซึ่งรับรองไว้แล้วว่าเป็นสวกขาตธรรมมาเป็นเครื่องํำเนงต้จงเห็นหลักธรรมคือสวดขาตธรรมที่ติตะจัดชอบแล้วนั้น ว่าเป็นสิ่งจะตัดหรือทำ้ายเสียได้ซึ่งความหายานะทั้งปวงเมื่อต่างคนต่างสนใจนำหลักธรรมเข้าปฏปิบัติต่ตอตอนเองแล้วผลจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าจะดำเนินหรือปฏิบัติไปตามความชอบใจของตอแนแล้วนั่นแหละเรื่องโลก กวีนา่าจะแสะเด็นขึ้นมาผ่ายในใจและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนต่างๆกัหนหมดผลที่ปรากฏก็คือคนชั่วด้วยกันอยูดยดยอาาด่ด้วยกันเป็นเดือดร้อนชาต่างก็อยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมถือทําเป็นหลักแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่คว่ำจะดแนะนํำสัมสอนทูด่ดาว่ากาวกันะไรมากนะ บางก็จะยืนย็นเป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจผู้ใหญ่ก็เบาอกเบาใจในการแนะนำคำสอนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันแลนกันนะจะเข้านอกออกข้างในไปไหนก็ไปได้วยความสะดวกสบายตามกิจจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ก็อยู่ด้วยความเย็นใจผู้ปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันต่างคนก็มีธรรมภายในใจ ความประคฤตทุกด้านจึงจแสดงออกมาเพื่อความร่วมเย็นและเพื่อความไม่หวังใจวัดก็จะเลยคนผู้ปฏิบัติอยู่ภายในวัดก็จะดลยผู้มาเกี่ยวข้องก็จเจริญหูจเจริญตารับความรักเทร่ร้ายหากมาตรงกันข้ามแล้วใครมาเห็นก็จะทรงทำความสลดต่างเลก ว่าพระวัดนั้นเนินวัดนั้นแม่กีแม่ขาววัดนั้นเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเหลือตั้งแต่ผ้าขาวพอกพูณตัวไว้แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่คิดอะไรกับสินักแย่งอาหารกันสินเขาว่าอย่างนี้นี่ภายในใจของเขาอย่างนี้ และออกมาทางวางจาอย่างนเนื่องจากความที่ได้เห็นได้ยินจากวัดนั้นจากพระเนรรูปนั้นๆจากแม่ที่แม่ขาวคนนั้นนั้นและเรื่องความโกรหฮุนอนน้หนัเรื่องความเหม็นคุ้งไปหมดจะละบาตรเอาไปขขทุกข์ใสทุกข์ใ จากวงของผู้เป็นนั่งเดีอดไม่มีสินใดจเดะเป็นที่นิยมชมชอบของคนภายนอกแม้ตัวเองก็เดียดร้อนมีท่าปฏิบัติให้นอกจากหลักธรรมไปเป็นคนนัน แต่ถ่าดำเนินตามหลักธรรมต่างคนต่างเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีความเห็นเช่นเดียวกันรวมทั้งวัดมีความเห็นเช่นเดียวกันแม้จะมีความอดอยากขาดแคลนบ้างตามธรรมดาของนักบวชที่อาศัยคนอื่นเป็นอยู่แต่เรงจริตใจจะมีความแช่มคลืนเบิกบาน นั่งหรือนอนเดินมีความเป็นสุขทุกเอรียบทแม้ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นภายในวัดนั้นมีเป็นสิ่งที่นักบวชเราพึงปฏิบัติและพึงกระทำนาอย่างยิ่งพระวได้พากันส่งเสริมสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นในตนเองและระหว่างแห่งกันและกันให้มีความเจริญมากขึ้นในขณะเดียวกันยาใดส่งเสริ ม, มสิ่งใดที่จะเป็นข่าสิ่ง เป็นควาเป็นน้ำทิ้มแทงหัวใจทิ้นแทงหูทิ้มแ ท, ง, ท, มทงตาของกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของนักบวดที่จะนำมาใชา้เรื่องทิดถิมานะเป็นเรื่องของคนไม่ได้อบรมศึกษาธรรมะไม่รู้ภาษาสีภาษาอะไรเช่นเดียวกับทุนนะักที่มองเห็นกันแล้วถึงเชี่ยวมิ้นทันใส่กันตับกันทุกของทุกคนเราเคยเห็นกระจับตตาของเรา นั่นคือประเภทของสัตที่ไม่มีธรรมประเภทของมนุษย์แล้วเห็นกันด้วยความยินแยงแกนสายให้อภัยสิ่งกันในกันความผิดความพลาอาจมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเผีดนัก บ, บวชหรือคารวะเพราะเราต่างก็เป็นคนมีที่เหลือด้วยกันแต่การให้อภัยสิ้นกันในกันมีเป็นหลักความอันดี ไม่เป็นทางผิดผู้ยึดถือทำเหล่านี้ไว้ประทับใจจะไม่สนใจความบกพร่องหรือผิดพลาดของคนอื่นจนลืมตัวแต่จะน้อมเอาสิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นเข้ามาเป็นทวามเครื่องสอนตอนได้และกลารเป็นความให้อภัยซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างก็ตกอยู่ในกรรมด้วความผิดพลาดเหมือนกันยอมจะอยู่ด้วยกันในความเป็นจุด สมกับว่านักบวชเป็นผู้มีธรรมภายใ น, นยต่างเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความร่วมเย็นด้วยกันมีความรักความสนิทสนมกันเช่นเดียวกับอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในความรับผิดชอบและสงวนของเราแล้วก็ไม่ไปหนักในอวัยวะส่วนใดทั้งฝ่ายรักและฝ่ายทงมีความสงวนสม่ำเสมอกันไปนหมดทั่วร่างกาย ลส่วนใดบกพร่องก็พยายามต่อมแซมให้ดีขึ้นโมกุลที่มีความบกพร่องในจิตใดส่วนใดก็พยายามตัดเชืองสัดสอนกันให้ทราบสาเหตุที่เป็นและการทําิ่งนั้นจะเป็นไปเพราะความผิดให้ได้ละขอนสิงนั้นโดยความเมตตาในการตักสอน นี่เนียกว่าเป็นธรรมของนักปราชญ์แม้เราจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ได้ธรรมะของนักปราชญ์มาเป็นเครื่องกระดับจะเป็นผู้มีสง่าราศีสวยงามขึ้นทั้งๆที่ศีรษะล้นโ้นเพราะเครื่องประดับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทั่วทั้งโลกชอบแม้จะเขาเขาจะประดับไม่ได้ก็ต า, ามเขาขาอเช่นเขาเป็นคนชั่วแต่เห็น ท่านผู้อื่นเป็นคนดีเขากระชอบเขาเป็นคนชิวที่เเลยเห็นคนอื่นเป็นคนสวยงามเขาก็ชอบหรือเราเป็นคนงโง่เราเห็นคนฉลาดเราก็ชอบเราเป็นคนประพฤติเกเรเราเห็นท่านผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบมีความเฉลียง เ, เงียงเพียรตัวเราก็ชอบเราเดือดร้อนเห็นคนอื่นมีความถูกตำราเราก็ชอบ เมื่อสรุปความแล้วชื่อว่าของดีย่อมชอบด้วยกันทุกคนแม้แต่ศักก็ชอบเราตั้งหน้ามาศึกษาอบรมเพื่อของดียาให้ของดีได้หลุดมือไปกลายเป็นของสละอาของชั่วไม่ถึงกาถนามาแบกมาหามอยู่บนบักอันนั้นไม่สมชื่อสำนามกับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อจะแยหาทำตามหลักทือพระพุทธเจ้าสอนไ ที่กล่ามาเหล่านี้เรียกว่าหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราให้พาการทมนี้ให้มากห้อยู่จะไปที่ไหนให้มีความเย็นใจให้มีธรรมคือวิหารธรรมเป็นเครื่องดี เมตตาคือความสางสารซึ่งกันและกันให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับความรักตนการอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมนาของนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันรูปร่างต่างตัวไม่เหมือนกันแม้จะใช้ชื่อว่าคนเหมือนกันก็ตามแต่ลักษณะท่าทีจิี ย, มยามยายาเสื้อส่เสืคอขอนั้นไม่เหมือนกันความกตื่นหนักเบาของ ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้ประมวลมาพิการาที่ลายออกดูให้เห็นชัดแล้วปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องนี่คือว่าเห็นใจท่านเห็นใจรเราทะเยลบบวกให้พอประมาณตั้งแต่สัตว์ฉนเขายังอยู่กับคนได้คนดูได้กันจะอยู่ไม่ได้ยังไง ทาต่างคนต่างมีทำต่างคนต่างคิดภายนอกภายในคิดทั้งท่านทั้งเราเข้ามาบวกลบประสานกันในความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วย่อมจะพอลดหย่อนผันพันและทําความหนักให้เบาลงได้ด้วยหลักธรรมนอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาหมุนจิตใจของตอนเท่านั้นจะกลายเป็นเรื่อง เดือดร้อนเพิ่มขึ้นทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นที่เกี่ยวข้องแห้รับความมึนแรงมากขึ้นการปฏิบัติธรรมภายในก็สะดวกตสมายเมื่อภายนอกคือส่วนเกี่ยวข้องมีความสม่ำเสมอร่มเย็นประดังตามกันแล้วงแต่บำเป็นศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาก็เป็นอารมณ์ เกื้อหนุนิดความผิดใจว่าวันนี้เราได้รับความไม่สะดวกสบากับคนนั้นกับทิศรูปนี้กับเนินรูปนั้นกับที่กับเท้าคนนั้นคนนั้นใจจะมีความร่มเย็นเป็น ส, สมบัติเพราะสิ่งที่กลามากที่ให้น้ำมาเป็นธาตุนั้นเป็นสิ่งที่กวนใจจะทจําจิตใจให้สงบย่อนเย็นลงไปไนาะน่ะผ่านทิ้ง อยู่แล้สมมอจิตใจเมื่อไม่มีอาหารอันเป็นทิ่มาเสร็จสมแล้วคอยให้มีแต่เรื่องของความเป็นเครื่องสนับสนุนดีเสมอใจจะต้องถึงความโปร่งใสเบิกบานมีกําลังในทางทกระเพื่อมต่ที่มาและมีความร่มเด็นเป็นสุขขึ้นภายในตนเป็นลําดับขึ้นไปเรื่องสมาธิ ความสงบเยือกเ ย, กอย็นก็มีกําลังเพิ่มขึ้นเริ่มจะขั้นเริ่มแลรกจนถึงธรรมะที่เต็มถูปปัญญาก็พาให้คิดให้คน้นพิจารณาทั้นาทางนอกทั้งในซึ่งเต็มไปได้วยธรรมะข้างใ น, นเข้ามาผับผีจิตใจทั้งกอนให้ได้รับความแยกขายจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งขง้างนอกข้างในเมื่อปัญญาได้ครับ หินคือสภาพธรรมที่มาเกยบข้องอยู่เสมอโดยการพิจารณาแล้วจะต้องมีความเกี่ยวแย้งขึ้นไปเป็นนั้นแบบข้างนอกที่ยังเห็นไม่ชัด ก, ก็จะเห็นคัดขึ้นมาเพราะการพิจารณาเสมอข้างในเมื้อจะถูกปิดบังมาเป็นเวลานานก็ตามแต่เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างยิ่งกว่าสิ่งใดใดไม้เล็กจะสามารถแทงทะลุโปร่งได้หมด ไม่มีอันไดที่จะปิดบังนี้นะในทั้งภายนอกและภายในปัญญาจะทฉายเสงไปให้เห็นชัดทั้งภาพอณิจังทั้งภาพทุกของทั้งภาพอนัตตาเต็มไปทั่วโลกหินแดงไม่มีที่ไหนที่จะเหยียบย่ำไปได้โดยไม่ให้ถูกหลักอนิจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงถึงขนาด น, นั้นแล้วเถิดใดจะไม่ได้ก้าวเหยียบไปตามหลักธรรมะที่เป็นทางเดินเหล่านี้ เพราะหลักไตร ล, ลักษณ์เชื่อจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเพราะโลกธาตุอันนี้เต็มเต็มไปด้วยทางที่กล่าวมานี้เท่งนั้นคืออันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกวัตถุทุกอารมณ์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งทางบนทางหลังทั้งอดีตอนาคตทั้งปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยหลักธรรมที่เก่าวนี้เั่านั้น เมื่อปัญญาได้นำ ท, ที่เรื่องเหล่านี้มาพินิจพิจนารณาเนี่ยเพตุใดจะไม่มีทางเลยการเห็นชัดก็เห็นชัดทำหลักความจริงของอนิจจังที่แสดงตัวอยู่ลยแล้วประจำตลอดเวลาทุกขังแสดงตัวอยู่ตลอดเวล า, าตาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองทาไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่รู้รู้สิ่งเหล่านี้นจะยึดคืออับพอเป็น พาละกดข่วงจิตใจของเราให้หนักและรับความทุกข์เพราะความปดข่วงนั้นหานปัญญาได้รับการอบรมรับหินจากหลักไตรลักษณ์หรืออย่างนี้เสมอโดยการพิจารณาไม่นนลดละแน่จะต้องถึงความสิ้นสุด แห่งความกังวลมุ่นวางทั้งหลายที่เคยมีประจําอยู่ภายในจิตใจของตนและสิ่งเกี่ยวข้อง ท, ทั้งหมดทําว่ามิมุติบุดพ้นที่เราเคยได้ยินมาเป็นและเป็นเวลานานก็จะหมดการคาดหมายหรือเดาขั้นเอแต่จะม า, าดปรากฏตัวอยู่กับความบุดพ้นของใจเพราะอํานาจของปัญญาที่เลย ทำการถอดถอนเรื่องความเุ่มหลมของตนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนตากดเป็นคํามือจุกขึ้นอย่างเต็มภูมิภายในใจท่านจะให้ชื่อให้น้ำว่าอะไรก็ตามจะตํ้วันลงมาได้รู้ได้ในที่นั้นแต่ก่อนได้ยินแต่ถื่อว่ามรตินิพพานเมื่อปฏิบัติให้เต็มพงแล้วชื่อและตัวชิ่นก็มารวมอยู่ที่ธรรมชาติ ของผู้บำเพ็ญที่ผู้ปฏิบัติได้จะดวงนี้จะดวงเดียนี่คือตัวมัดคือการดําเนินก็คือผู้นี้นี่คือตัวผลป่วยรักความสุขก็คือตัวนี้นี่คือผู้หลุดพ้นเพราะผู้ผูกมัดตนเองก็คือผุ้นบัดนี้ได้หลุดพ้นแล้วด้วยความรู้ของตนเนื่องมาจากข้อวัดปฏิบัติถือศีลจมาที่ปัญญาหลุดพ้นก็หมาเป็นคนจากการผูกมัดตนเองนั่นเองไม่หลุดค้นอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสะแสลงของตนทางนั้นไม่ว่าฝ่ายดีใดทั่วเมื่อเราทําการผดผ่อนออกมาโดยสิ้นสุดนะผู้นั้นก็คือเป็นผู้หมดได้ห ล, ลุดพ้นจากความถูกมัดของตนกลายเป็นผู้อิสัะเสื่อดีขึ้นมาภายในจิตใจตรงนี้นนนขณะนี้เราทุกท่านก็ไม่ยินเลยฟังขณะที่ท่านอภิบาลไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนี้รับภาพดุกทุกขณะนี่แหละเป็นผู้ที่จะกล้าไปตั้งลำดับของธรรมที่ท่านสอนไว้จนถึงจุดหมายปลายทางโลกธรรมอุตสาหพยายามทั้งต้นโดยไม่ต้องสงสัยงานเป็นคว า, า, า, ามดิจิตธรรมทัศนาเพียงเท่านี้นเอ ง, เอง